พอดื่มน้ําเสร็จก็นั่งพักที่พื้นทรายกระทั่งเผลอหลับไปนกกระทาเห็นนายพรานนั้นหลับไปแล้วจึงคิดว่าเราจะถามความสงสัยของเรากับฤรื้สีนี้หากท่านรู้ก็คงจะบอกแก่เราก็เลยถามปลื้ีข้าพเจ้าเป็นอยู่สบายดีหนอเป็นนกต่อให้กับนายพรานนก และได้กินอาหารตามชอบใจแต่ว่าข้าพเจ้าถูกบังคับให้เป็นสื่อกระทําอันตรายแก่ผู้อื่นข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคติของข้าพเจ้าเป็นอย่างไรหนอก็ถามพระฤาษีว่าอย่างเงี้ยทำกรรมไปอย่างนี้แล้วเนี่ยคติค anyway. ือคติคืออะไรการดําเนินไปอ่ะคืออะไรไอ้การดําเนินไปเนี่ย จะมีวิบากกรรมเป็นยังไงใช่ไหมจะมีผลของของการกระทําอย่างเงี้ยเป็นยังไงคตินี่อาจจะตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละว่าเนี่ยต่อไปต่อไปเนี่ยตัวเองจะต้องได้รับผลกรรมยังไงนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่ตายไปแล้วก็ตามถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปรับเวรรับกรรมอะไรยังไงบ้างนะก็เลยถามฤาษีพระฤาษีตอบแก้ปัญหาให้แก่นกทานั้นว่า ดูก่อนปักสีปักสีนี่แปลว่านกนะไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อนกต่อนะปักสีแปลว่านกดูกนปักสีถ้าใจของท่านไม่น้อมไปเพื่อกรำอันเป็นบาปบาปย่อมไม่แปดเปื้อนใจของผู้บริสุทธิ์ผู้ผู้ไม่ประสงค์ที่จะขวนขวายกระทําบาปกรรมนั้นอาฤศีต่อว่ายังไงอาฤศีตอบว่าไม่บาป ถ้าสมมุติว่าใจไม่ได้มีเจตนาพูดง่ายนะใจบริสุทธิ์ไม่ได้เจตนาจะไปทาร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่มีความประสงค์ไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะไปทำให้คนอื่นต้องตายเลยนะแต่ว่าโดนบังคับนกกระทาได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวถามต่อไปอีกว่านกกระทาเป็นอันมากพากันมาด้วยคิดว่าญาติของเราเรียกหาอยู่ นายพานนกจึงจับนกเหล่านั้นได้แล้วก็กระทำกรรมคือปาณาธิบาตโดยอาศัยเสียงร้องเรียกของข้าพเจ้าใจของข้าพเจ้ารังเกียจในเรื่องนี้นักบาปนี้จะมีแก่ข้าพเจ้าไหมหนอก็ยังคงย้ำถามอีกอะนะบอกว่าเนี่ยนกต้องมาตายตั้งเยอะแยะนะโดนนายพานฆ่าเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนร้องเรียกเป็นนกต่อเนี่ย นะบอกเนี่ยใจตัวเองก็รังเกยียจเหลือเกินไอ้ไอ้ที่ตัวเองร้องไปเนี่ยนะก็นึกพูดง่ายว่าก็นึกนึกด่าว่าตัวเองอยู่แหละนะนึกรังเกียจรังเกียจการร้องของตัวเองเนี่ยว่าร้องแล้วเพื่อนต้องมาตายนะร้องแล้วเพื่อนก็ต้องมาตายนะคือรังเกียจการกระทําของตัวเองอยู่นะบอกว่าอย่างเนี้ยถ้าใจใจของนกต่อตัวนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเขาบาปไหมนะ พระฤาษีตอบให้ฟังว่ า, าฟังดูนะถ้าใจของท่านไม่คิดประทุษร้ายจริงบาปกรรมที่นายพรานอาศัยท่านกระทำแล้วย่อมไม่ส่งผลบาปถูกต้องท่านเพราะบาปกรรมย่อมไม่แปดเปื้อนผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีเจตนาที่จะกระทำบาปนั้นก็ยังคงยืนยันพระฤาษีบอกว่าไม่หรอกบาปนี้อยู่ที่ อยู่ที่นายพานเพราะว่าจริงๆแล้วเท่ากับว่านายพานเนี่ยบังคับนกใช่ไหมให้นกนี่ไปกระทําต่ออันตมาถามอีกคำหนึง่ง <c oughs> กรณีนกตัวนี้นี่เหมือนอ<ม>ยอมมอบตนในทา ง, ท, างที่ผิดหรือเปล่าเราจำได้ไหมมีอยู่ข้อหนึ่งว่ามีอะไรบ้างมาีโกง ตลบตลแรงแล้วก็อะไรการห ล, ลอกลวงเนี่ยแล้วก็ลาบแลกลาบอาอายอมมอบตนในทางที่ผิดแล้วก็เอาราบแลกลาบใช่หมห้าข้อนี่อาจะมาถามอันนี้ว่ากรณีของนกกระทาที่เป็นนกต่อ น, นี่เหมือนกับการยอมมอบตนในทางที่ผิดไหมเอาใครว่าเหมือน 1- นสอง สเสียงสมเสียงเอาใครว่าไม่ถือว่าเป็นการยอมมอบตัวในทางที่ผิด4ี่ห้าหจริงๆแล้วยอมมอบตัวในทางที่ผิดนี่มันต้องถือที่ที่จิตเราด้วยนะถ้าจิตเราเองเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งนั้นมาไม่ดีนะเสร็จแล้วเขาก็ให้เรากระทำเนี่ยนะให้เรากระทาโดยที่ไม่ได้บังคับเรานะ แต่ว่าเอาละมันก็มีคําสั่งหรือว่ามีอะไรเนี่ยลงมาเรื่อยๆแหละแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้ว่าไม่ดีถ้าเราเองรู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ยังทําตามทาัทง้ทงทง้ที่รู้ว่าไม่ดีนี่แหละเรียกว่ายอมมอบตนในทางที่ผิด <t> เราทําตามทั้งที่เรารู้ว่าไม่ดีแต่จะว่าเขาบังคับไหมเขาไม่ได้บังคับเข้าใจไ้มถ้าเขาไม่ได้บังคับเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเรายอมมอบตนในทางที่ผิดไปด้วย คือเขาไม่ังคับให้เราเราต้องทํานี่แต่ถ้าเขาบังคับเมื่อไหร่เนี่ยใช่มจริงจริงเนี่ยมันยังยัมีขั้นตอนที่ซ้าแปลว่าบังคับขนาดไหนนะ่าจะว่าบังคับขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเขาบั ง, บงคับมากๆเลยถึงขั้นเอาชีวิตเราโอ้โหเราก็เลยต้องยอมทำนะอย่างเนี้ถือว่าไม่ได้ยอมมอบตนในทางที่ผิดเพราะว่าเรารักษาชีวิตเราไว้เพื่อที่จะไปทําดีอย่างอื่นเข้าใจไหม เราไม่อยากทําตามที่ที่โดนบังคับนั่นเลยมันมีข้อแม้ตรงที่ว่าจะต้องชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเขาเนี่ยไม่บังคับเรานี่เราไม่ทําเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมคือถ้าเขาไม่บังคับนี่เราไม่ทําเด็ดขาดเลยแต่ที่ทํานี่เพราะว่าโดนบังคับเท่านั้นน่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เมื่อ ก, กี้นี้ก็ยกตัวอย่างไปแล้วจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าโดนบังคับอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ ไม่ได้ยอมมอบตนในทางที่ผิดแต่บางคนอาจจะเข้มข้นกว่านี้นะคืออาจจะนิยามว่าถ้าจะถือว่าไม่ยอมมอบตนในทางที่ผิดนี่คือแม้ว่าเขาจะบังคับยังไงก็ตามเราก็นะเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมแม้จะเสียทรัพนะเสียทรัพเราก็ไม่ยอมให้เขาบังคับเราได้หรือแม้จะเสี ย, สยวัยวะ ไม่ยอมให้เขาบังคับเราได้หรือแม่เสียชีวิตเราก็ไม่ยอมที่จะให้เขาบังคับเราได้คือเราจะไม่ยอมทําเลวด้วยเราจะไม่ยอมที่จะอะไรอ่ะทำตามคําสั่งที่มันไม่ถูกต้องของเขาเลยนะอย่างนี้ก็อีกระดับหนึ่งเลยเข้าใจไหมแต่อย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันตรงที่เรียกว่าจิตเราเนี่ยไม่ยอมที่จะไปทําตามสิ่งเลวนั้นแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ความเก่ง ว่าคนนั้นเก่งระดับไหน <c oughs> คุณจะเก่งถึงขั้นคุณจะเสียสละได้ถึงขนาด ข, ข, ขนาดขนาดไหนใช่ไหมบางคนนี่เก่งแต่ว่าแค่แค่อะไรเสียทรัพย์นี่นะอาจจะแค่นี้เองแค่เสียทรัพย์เสียทรัพย์นี่รวมไปหมดนะต้องเสียตาแหน่งต้องโดนลดยศหรือว่าไม่ได้เลื่อนขั้นหรือว่าอะไรพวกนี้นะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนอะไรพวกนี้ถือว่าเสียทรัพย์ทางงนั้นเนะ่ เข้าใจไหมว่าปกติควรจะได้เพิ่มใช่ไหมแต่เราไม่ยอมทําตามสิ่งไม่ดีที่เขากําหนดมาให้เนี่ยเราก็เลยติดแงกอยู่อย่างนั้นนี่ก็ถือถือได้เหมือนกันว่านี่ก็ต้องก็เสียทรัพย์เหมือนกันวันถ้าใจใครอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ยอมมอบตนในทางที่ผิดแต่ตอนนี้ถ้าเรายอมนะดูบางคนนะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะไม่ยอม ที่จะเสียนุญนเสียนี่บ้างเนี่ยใช่ไหมแต่ใจตัวเองนี่มีความรู้สึกว่าอะไรอะ่ะมันไม่กล้าเสีย เ, เลยอะ่ะไม่กล้าเสียสละอะไรทั้งสิ้นเลยความกลัวนะกลัวว่าจะเสียทรัพย์กลัวว่าจะเสียนุ่นกลัวจะเสียนี้ก็เลยยอมตามถ้าอย่างนี้อาตมาก็ถือว่ายอม <c oughs> <c oughs> เข้าใจั้มถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ายอมมอบตนในทางที่ผิดอยู่เหมือนกัน แม้ว่าใจจริงๆเขาก็ไม่อยากจะทําอยู่เข้าใจไหมแต่ว่ามีตัวอสุรกายนะมีตัวกลัวคือกลัวกลัวตัวเองอาจจะเสียทรัพย์หรือว่าเสียเงินเดือนหรือว่าอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยเสร็แล้วเราเองเราก็เลยไม่กล้าเมื่อไม่กล้าเราก็เลยยอมทําตามไปถ้าอย่างนี้อาตมาก็ถือว่าอย่างนี้ก็ยอมมอบตนในทางที่ที่ผิดด้วยเหมือนกัน นะทั้งทั้นที่จริงๆเนี่ยไม่ยอมก็ได้เข้าใจไหมคือใจตัวเองเนี่ยจะไม่ยอมก็ได้แต่ตอนนี้นี่ใจเรามันไม่แข็งพอใช่ไหมใจเราไม่เก่งมันก็เลยยังแบบว่าโอ้ยเรื่องอะไระเราจะต้องไปเสียเงินเสียทองหรือว่าเราจะไม่ได้สองขั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยโอ้ยถ้าอย่างนี้เรายอมดีกว่าเรายังมีสิทธิ์ได้สองขั้นได้เพิ่มเงินเดือนเพราะนั้นมก็เลยยอมตามไปอย่างนี้มาถือว่ายอม นะรู้สึกว่าพูดยากอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ใครจะเข้าใจหรือเปล่าไหนะูแต่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของของจิตวิญญาณเนี่ยแหละถ้าจิตใจใครเนี่ยมันมีความาไม่ยอมจริงๆเนี่ยมันจะรู้เองใจคนนั้นจะรู้เองว่าเราไม่ต้องการทําเลยแล้วมันจะหาวิธีจริงๆว่าจะทํอยังไงนะที่จะไม่ไปทําเร็วๆตามเขาไม่ไปทําเร็วอย่างเขามันจะหาวิธีด้วยที่จะไม่ทาอย่างนั้นใช่ไหม มันมีความคิดอยู่ตลอดเวลาเว้ยว่าจะเอ๊ะจะเลี่ยงยังไงจะอะไรยังไงที่จะไม่ไปทําตามที่เขาไปทําอยู่ถ้าอย่างนี้จะมาถือว่าเนี่ยคนนี้ไม่ได้ยอมอยไม่ได้ยอมมอบตนในทางที่ผิ ด, ดทัด้ททงทั้งที่บางทีมองภายนอกนี่ก็ดูคล้ายๆกันนะแต่ความจริงคือคนนี้นี่ไม่ยอมเลยเพราะเขจะมีไอ้คาว่าไม่ยอมเนี่ยนะเราจะชัดตรงที่เรียกว่ามันจะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าทํำยังไงถึงจะไม่ต้องไปทํา เลวอย่างนั้นทำยังไงถึงจะไม่ไม่เป็นเลวอย่างนั้นมันจะมีอย่างงี้อยู่ในจิตคนนั้นเลยแล้วมันพยายามหาทุกวิถีทางที่จะเลี่ยงให้ได้ลบให้ได้ที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอ่อย่างนี้แหละอาตมาถือว่าถ้าใจคนไหนมีอย่างนี้แหละเขาไม่ได้ยอมมอบตนในทางที่ผิดเลยแม้ว่าบางทียังอาจทำงานอยู่สำนักงานนั้นนะอ่าไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสำนักงานเลยแต่เขาเขาหาวิธีอยู่ตลอดเวลาเลยที่จะไม่ให้เป็นอย่างพวกนั้นเป็น เขาโกงกันเขากินกันเขาคอรัปชันกันแต่เราไม่เอาด้วยเลยเราก็พยายามพยายามอยู่เรื่อยตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เจริญยากถ้าไปอยู่ในหมู่ฝูงของคนที่เร็วๆนะแล้วยิ่งถ้าเกิดต้องไปเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมก็ต้องไปทำงานให้เข า, ามันยากลาบากทำเสร็จในที่สุดมันก็เขาก็ ได้เงินได้ทองได้อะไรไปต่อไอ้ความไม่ดีของเขาต่ออีกเพราะอย่างนี้ไปไปมามันก็เลยดูรูปนอกรวมๆแล้วก็เหมือนกับยังยอมมอบตนในทางที่ผิดอยู่ดีอ่ะมนหนีไม่พ้นเลยโดยตัวเองน่ยไม่แล้วเหมือนนกนกกรทานเนี่ยนะโดยตัวเองจริงๆก็ไม่บาปแล้วแต่ถ้าตาบใดเนี่ยยังยอมอยู่กับเจ้าเจ้าพรานคนนี้ใช่ไหมไม่หาทางหนีหรือว่าไม่หาทางอะไรก็ตัวเองก็ต้องเป็นลูกมือของ ของเจ้าพราญคนนี้ไปตลอดในที่สุดก็ต้องทําวิบากกรรมอย่างเงี้ยไปตลอดตลอดตลอดแล้วก็ต้องใช้คืนด้วยไม่มีไม่มีวิบากกรรมไหนที่ที่จะไม่ใช้คืนเพราะะตัวเองก็ต้องซวยอยู่เรื่อยอะซวยอยู่เรื่อยแม้ใจตัวเองจะบริสุทธิ์ใจตัวเองจะไม่ได้ไม่ได้อยากจะยอมมอบตนในทางที่ผิดเลยแต่เห็นไหมโดยรูปธรรมภายนอกนี่มันโดนกลืนไปเรื่อยอะโดนกลืนไปเรื่อยเพราะจริงๆแล้วถ้าใจเราไม่ยอมมอบตนในทางที่ ผิดจริงๆที่บาปจริงๆแล้วเนี่ยต้องหาทางเลยนะหาทางหนีออกมาจากหมู่กลุ่มของคนเลวหรือว่าจากสิ่งเลวๆนั้นๆนนออกมาให้ได้ถึงจะถือว่าไม่ยอมมอบตนในทางที่ผิดนาธานีฤาษีก็เลยบอกว่าอ้อไม่บาปหรอกเพราะฤาษีบอกสัจจะให้นกกทาเข้าใจแล้วนกกะทานั้น ก็หมดความสงสัยครั้นนายพานตื่นนอนแล้วก็กราบลาพระฤศีถือเอากงนกกรทาทั้งหมดนั้นกลับบ้านของตนไปพระาศาสดาคั้นทรงดำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงตัดว่านกนกต่อน ก, นกกรนานกกราต่อนั่นน่ะไอ้ที่เป็นนกต่อตัวนั้นน่ะก็คือพระลาหุนในบัดนี้ส่วนพระฤศีก็คือเราตถาคต นะในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าพ่อลาหุนยางเป็นผู้ที่สนใจในการศึกษาฝ่ายใจในการศึกษาอะไรที่มายืนยันว่าเป็นผู้ฝ่ายใจในการศึกษาอ ะ, อะไรในเรื่องนี้ซักถามพ่อสงสัยนะใครจําได้วิบากกรรมของคนมีปัญญามากคืออะไรไม่ใช่วิบากกรรม นั่นแหละบิบากรรมนั่นแหละแต่เราอาตมายังใช้ภาษาไม่ไม่ถูก อ, อ, อันที่สง์ก็ได้นะผลบุญผลประโยชน์นะของผู้ที่จะมีปัญญาพูุ้ทธเจ้าท่านเคยตัเอาไว้ไงท่านบอกว่าคนที่จะเกิดมาในชาตินี้แล้วเป็นคนที่มีปัญญามากเนี่ยนะเพราะว่า เพราะว่าไปหาผู้รู้เนี่ยนะสัตบุรุษเสร็จแล้วก็ซักถามว่าเออไอนี้ดีนะไอนี้เรวนะอ่าแล้วก็รู้ว่าอะไรดีอะไรเร็วเนี่ยแล้วก็รู้ความจริงต่างๆนะรู้ทุกรู้คือสามารถที่จะอะไรอ่ะอแยกแยะถูกผิดอะไรอ่างต่างเนี่ยได้มีสัมมาทิฏฐินะคือถามเนี่ยซักถามจนกระทั่งมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น เพราะนั้นคนคนนี้แหละเมื่อตายแล้วนะเกิดมาในชาติต่อมาแล้วก็จะเป็นคนมีปัญญามากเพราะประเด็นสำคัญคือการซักถามผู้รู้นะผู้ที่จะให้ข้อคิดให้ความเห็นที่ถูกต้องกับเราเนี่ยแล้วเราก็จดจำเอามาประพฤติมาปฏิบัติอย่างนี้แหละจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญานนอันนี้เป็นประเด็นแรก ในเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่านกกระนกกระทาเนี่ยขนาดโดนจับขังไว้แล้วแต่ก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเออเราจะต้องถามให้มันใครสงสัยตัวนี้ให้ได้ว่าเราบาปหรือเปล่านะคือคือต้องมีความสำคัญตรงที่ว่าถามเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโทษเรื่องคุณเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะไม่ใช่บางคนยี่ซักถามเก่งนะไปถามว่าเออปีนี้ใครจะได้ตุ๊กตาทอง นักล่องคนไหนจะได้ที่หนึ่งที่สองไอ้อย่างนี้มันไม่ได้มีปัญญามากหรอกนะถ้าถามไอ้ประเภทไอ้โลกีหรือว่าไอ้อิเลเค ข, ขาอะไระนะมันไม่ได้มีปัญญามากามันมีปัญญามากเนี่ยซักถามนี่ต้องหมายถึงว่าสักถามเรื่องของสัจจะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรพวกนี้ที่จะทําให้เข้าใจชีวิตเนี่ยชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นด้วยนะถึงจะมีปัญญาถึงจะมีปัญญาแท้ อา้าวอย่างที่สองก็อะไรอ่ารังเกียจบา ป, าบาปนะอะไรในในที่นี้รังเกียจบาปอะไรอ่อา ร, รังเกียจบาปก็คือไม่อยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาเดือดร้อนนะต้องมาตายหรือว่ามาเจ็บปวดทรมานเพราะ การกระทำของเราใช่ไหมรังเกียจบาปบาปที่ตัวเองกระทาตัวเองก่อนะยังไม่ต้องไปรังเกียจที่จะไปลังเกียจบาปคนอื่นเขานะเพราะบางทีมีนะที่จะไปเังเกียจบาปคนนั้นไปลังเกียจบาปคนโน้นเยอะแยะไปหมดนะเพลอเก็เดี๋ยวก็ลังเกียจบาปคนอื่นเขามากๆก็กระวังนะเดี๋ยวไปเผาบ้านเขาไปตีหัวเขาไปอะไรเขาได้นะ อ่าเพราะว่ามันเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยนะไปเกลียดมากๆเขาเกลียดมากๆเขาแทนที่จะไปเกลียดบาปที่เขาก็ทําจริงๆนะมันไม่ได้เกลียดบาปที่เขาก็ทํำสิมันไปเกลียดตัวเขาอะตัวคนที่เขาก็ทําอ่ะเสร็จแล้วมันอดไม่ไหวพออดไม่ไหวเนี่ยมันไปด่าไปทําร้ายเขานะใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่านี่ยมันเป็นบาปเขาทำจริงเขาทําบาปเพราะบางทีเนี่ยโอ้โหมันขึ้นเลยนะขึ้นมากๆเขาเนี่ยมัน ไปฆ่าเขาก็ได้พเพราะคําว่าลังเกียจบาปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องพยายามเด่นก็หาตัวเราเองว่าเออรังเกียจบาปของตัวเองนะวันนี้โอ้โหกินพิซซ่าสมใจเลยนะนะพอกินเสร็จอิม่มหนังท้องตึงแล้วก็มันรึกลังเกียจโอ้ไม่น่ากินเยอะเลยเอ อ, อย่างนี้เข้าท่าหน่อยนะว่าแงนะ่กินมาจนเต็มที่แล้ว นะแล้วน่าเกลียดจริงๆเลยตอนนี้ท้องพองแล้วดูแล้วน่าเกลียดมากเอ่อย่างเงี้ยให้ให้รังเกียจบาปที่ตัวเองเนี่ยไปกระทามาอย่างนี้มันถึงจะจะเลิกทำไอสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองมันถึงจะเลิกแต่ถ้าไปเที่ยวรังเกียจบาปคนอื่นนะเผลอๆจะไปจัดการคนนั้นไปจัดการคนนี้แล้วก็ยิ่งพอพอเขาไม่ยังไม่แก้ไขหรือว่าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงเรายิ่งโกรธเรายิ่งขึ้นใหญ่เลยยิ่ง ยิ่งโทสะยิ่งโมโ ห, หนะเผอเผอนี่เอาเป็นเอาตายเลยแหละจะยอมหรือไม่ยอมนะะจะเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นตายแหมมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะมันหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นมันเป็นจริงจงนะยิ่งใครยึดดีจะจัด <c oughs> ยึดดีจะจัดมากๆอ่ะตอนนี้แทนที่จะยึดยึดที่ตัวตัวเองเท่านั้นนะไม่นะยึดที่คนอื่นด้วยว่าคนอื่นต้องดีอย่างนั้น คนอื่นต้องดีอย่างนี้ใช่ไหมวันพอเขาทําผิดเขาทําอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเกลียดมากๆากเกลียดมากๆเข้าจะมาบอกแล้วมันเลยเจ็บเจ็บใจก็ได้เจ็บแค้นก็ได้เกลียดชังก็ได้วันระวังนะไอ้เรื่องเกลียดบาปเนี่ยนะรังเกียดบาปพยายามเข้าใจให้ดีว่ารังเกลียดบาปตัวเราเองวันให้ให้รังเกลียดเลยอย่างเช่นเราเกิดโอ้โหไปเห็นใครตรงสเปกเราเนี่ย โอ้นึกรักนึกชอบแหมเราเราถ้าเราจับจิตได้นะมีสติโอ้โหนี่เราเกิดกรามแล้วนี่เราไปนึกรักไปนึกชอบคนนั้นเขาแล้ ว, ล ว, ลวนะนะยิ่งโอ้โควิ่งฟุ้งซ่านไปใหญ่นะคิดฟุ้งคลั่งไปไกลเลยโอโ้อยากจะไปแต่งงานอยากจะไปมีมีเป็นคู่กับเขาด้วยนะโอ้โหจับได้มีสตินี่โอ้โหน่าเกียดน่าละอายกระใจเรามากๆทําไมมันไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงให้เนี่ยให้นึกรังเกียจ บาปของตัวเองนะอบรมสั่งสอนมันนะใจเราเองเนี่ยแหละนะบางทีไม่ต้องไปเกียดคนอื่นมากๆบางทีบางคนเนี่ยเกียดคนอื่นมากๆอ่ะคือเกียดทั้งว่าเอาเรื่องกามเนี่ยแหละ <c oughs> นะโอเห็นใครเขาคุยกันหน่อยเงี้ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเห็นใครเขาคุยกันหน่อยหรือว่าเขาแบบว่าอะไรอ่ะสนิทสนมกันหน่อยเงี้ยเอาแล้วชักโอ้โหอะไรอ่ะ เตรียมเล่นงานเต็มที่เลยนะบางทีเขาอาจจะไม่มีอะไรกันก็ได้อเขาอาจจะเป็นเพื่อนฝูงสนิทกันมากหน่อยแต่ตอนนี้ไอเราเนี่ยมันเกลียดเกลียดเรื่องนี้มากๆอ่ะเอาไปดูนะมันเกลียดมากๆเข้าเนี่ยมันโอ้โหมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกอะไรอ่ะกลัวแทนเขาด้วยบางทีเดี๋ยวจะยิ่งแย่นะเดี๋ยวจะยิ่งอย่างนั้นอย่างงี้นะมันจะป้องกันให้เลยนะมันจะรีบไปแยกเขาเลยนะ เพล่เละกะนู่น ไ, ไปไปทำงานเงินโกละที่นาไปลงมือจัดการเสร็จเรียบร้อยจิตดีบางทีเจตนาเนี่ยดีนะแต่ว่าบางทีมันมันเกินไปเนี่ยมันทำให้กลายเป็นอะไรอะกลายเป็นสภาพที่รุนแรงไปโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ไม่รู้ตัวตัวเองบังคับบังคับใจตัวเองไม่ได้แทนที่จะทให้มันพอดีเนี่ยไอ้ความเกลียดบาปของคนอื่นเขาเนี่ยมันเกลียดมากเกินไป มากจกนกระทั่งบางทีเราทําเกินเลยไปแล้วเราไม่รู้ตัวเราเพราะอันนี้จะต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยพยายามนึกเสมอนะให้รังเกียจบาปในในใจเราในตัวเราเองดูอันนี้ให้มากของคนอื่นเขาก็เออเตือนเขาได้ก็เตือนเขาบอกเขาแต่ถ้าเขาไม่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรเราก็เอ้าบอกผู้ใหญ่ให้รับรู้หรือไม่เราก็เอาเตือนไปแล้วถ้าไม่สามารถจะ ช่วยอะไรได้ดีก่ น, นี้ก็เอาก็ปล่อยเข้าไปตามยถากรรมครับเพราะเดี๋ยวผลมันก็เป็นอันธทรรมตามที่เขาทำเองใช่ไหมก็ต้องตัดลอบไปอย่างนี้นะเอานี่ข้อที่2หนะ้ารังเกียจบาปเอาข้อที่3เป็นผู้มีความอดทนนะต่อคำสอนนะสามารถที่จะฟังคำของพระฤาษีนี่ฟังเสร็จแล้วก็เอามาพิจารณานะพิจารณาแล้วก็คลายใจตัวเองได้ทาให เลิกทุกข์เลิกกลัวเลิกห่วงเลิกกังวลในใจตัวเองไอ้จุดอื่นอาตมาก็ยังมองไม่เห็นนั่นก็เห็นแต่จุดนี้เวันการที่ใครเนี่ยสามารถที่จะฟังคําสอนที่ดีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยฟังแล้วเราเอามาคิดนะเอามาคิดเอามานึกนะเอามาไตรตรองจนกระทั่งเราสามารถจะคลายใจเราที่มันไม่ดีเนี่ยใจที่มันทุกข์ใจที่มันมีกิเลสอยู่เนี่ย คลายลงไปได้อา้าวแสดงว่าคนนี้อดทนต่อคําสอนนะอย่างที่อาจมาบอกไปแล้วอดทนมี2 อ, อย่างนะนะนะทั้งว่าโดนตําหนิโดนว่าก็อดทนได้รวมไปทั้งแม้ไม่โดนตําหนิโดนว่าแต่ว่าเอาคําสอนนั้นมาไต่ตองเอามากระทำเอามาพิจารณาเนี่แหละเจนกระทั่งตัวเองเนี่ยกิเลสลดลงไปได้คลายใจลงไปได้นะก็ถือว่าคนนี้เออมีความอดทนเอาคําสอนนั้นนะ่ะ ออกมาพิจารณาอย่างอดทนจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้ตัวเองนี้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์ไปได้นะนี่ก็คงจะเป็นสามข้อนะสามประเด็นวันสิ่งที่ชาดกเรื่องติตระชาดกเนี่ยอาตมาคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ของพวกเราในสามข้อนี้นะก็คงจะมีเท่านี้บ้างวันนี้ แล้วทาอะไรทาเลือดสีใช่ไหมอ๋อเพราะเลือดสีปล่อยนกกระทาไอ้ทั้งหมดน่ะเหรอทั้งที่จับไม่ได้ทั้งที่น้องต่อเนี่ยเหรออ่ามันมีอย่างนี้มันมีอยู่งนี้อาตมาก็เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วมันมีวิอย่างสมมุติอย่างพระเนี่ยจะมีวิในอยู่ถ้าเรามีเรารู้ว่ามีเจ้าของอยู่น่าสมมุตินะเรารู้ว่ามีเจ้าของอยู่ เสร็จแล้วเนี่ยเรามีเจตนาที่จะปล่อยออกไปโดยที่ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามีเจ้าของอยู่นี่แหละนะแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะ่ะนะเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยไปโดยที่ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามีเจ้าของอยู่อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีเราจะมีความผิดอะไรบ้างแม้ว่าเราเจตนาจะดีอะ่ะแบบว่าอะไรอะ่ะ อยากให้นกไปอิสร ะ, ะสมมุตินะนกมันจะได้ไปสู่ป่าสู่เขาอะไรเสรี ภ, ภาพแต่เรารู้ว่ามันมีเจ้าของอยู่แล้วอ่าฮ ะ, ะมีผิดศีลข้อไหนบ้างไหมอ่ามันจะผิดศีลข้อสองอ่าอย่างเช่นอย่างเนี้ยเอาผู้เองง่ายสมมุติว่ามันเกิดมีมีคนรวยอย่างเงี้ยใช่ไหม อ่าแล้วเราเห็นว่าโอ้คนรวยคนนี้นี่ไม่ค่อยดีเลยนะเอาสมมุติว่าโกงทรัพย์สินคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ย เ, เราพอดีเรามีสิทธิ์ที่จะไปหยิบมาก็ได้ขโมยมาก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นโปน้นะหนักไปนะแล้วก็แอ บ, บเอามาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรอย่างเงี้ยอ้าวสมมติว่าเราทําได้ด้วยแต่มันมันมันเหมาะไหมอ่ะมันมันไม่เหมาะหรอกมันไม่ควรหรอก แล้วมันก็ผิดด้วยอ่าเพราะมันมีข้อแม้อยู่ตรงที่เรียกว่าอาตมา ก, ก็จำไม่แม่นละอันนี้เพราะว่าอ่านวินัยอันนี้มานานแล้วนะจำไม่แม่นว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ น, นี้ขอพูดไปตามเท่าที่ระลึกได้นะอาจจะปิดพลาดไปบ้างแต่เอาตามความความคิดของอาตมาแล้วว่าถ้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเจ้าของเข้าใจมนะ แล้วเราก็มีเจตนาเมตตาด้วยเจตนาดีด้วยแล้วเราก็ปล่อยไปคือถ้าอย่างนี้อาตมารู้สึกว่าไม่ผิดอะไรนะพุทธเจ้าท่านก็คล้ายๆว่าก็อนุโลมให้แต่ไม่แน่นะยังยังจำไม่แม่นนะอันนี้ถ้าจะให้แม่นจะต้องไปเปิดไปเปิดพระไตรปิฎกดูอีกทีว่าว่ากรณีนี้ผิดไหมท่านมีโอ้โหละเอียดมากในะพระไตรปิฎกมีบอกไว้หมดเลยว่าเนี่ยไปเจอสัตว์อย่างเนี้ยอยู่ นะเขาจับเอาไว้เงี้ยแล้วก็ปล่อยไปด้วยเจตนาเมตตาเนี่ยแล้วผิดหรือไม่ผิดมีบัญญัติไม่หมดแล้วเพียงแต่อาตมาจำไม่ได้เท่านั้นเองคื <c ười> ออาตมาเนี่ยบางทีจะว่าไปก็ดึงก็อาจจะจำไม่ค่อยแม่นสองก็คือว่ามีนิสัยจำแบบง่ายๆนะคือว่าอะไรที่มันจะเข้าขายที่มันจะผิดศีลได้อาตมาก็ <c ười> พยายามอย่าไปทำมันก็แล้วกัน คือระวังตัวเราไว้ก่อนระวังตัวเราเอาไว้พยายามอย่าไปทํามันเพราะว่ามันมันพลาดไปแล้วเนี่ยมันมันมันต้องอาบัติมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังมันพยายามอะไรที่เรารู้ว่ามันจะเอ้ยมันจะมีโอกาสจะผิดศีลได้นะอย่างเงี้ยก็อย่าไปทําไว้ก่อนแล้วเป็นดีอย่างเงี้ยมันมีเจ้าของอยู่แม้ว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหมันน่าจะปล่อยไว้นะแต่ไอเเราก็รู้อยู่นะว่าใครคือเจ้าของแล้วเจ้าของเขาจับเอาไว้อย่างเงี้ย นะแล้วก็ขังเอาไว้อย่างนี้ยังไงเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่า เ, เราจะผิดศีลข้อสองหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้แต่ยกเว้นว่าถ้าศีลข้อ น, นี้มันเกิดไม่หนักเงี้ยใช่ไหมนะถ้าเราผิดแล้วเนี่ยเราต้องโทษเนี่ยต้องโทษแค่เบานะสมมุตินะบางทีอ่าอาจจะนึกเอจะเสี่ยงหรือเปล่าวะอาจจะนึกว่าจะเสี่ยงหรือเปล่าว่าปล่อยไปเออให้สัตว์นี่มันได้เป็นอิสระ แต่ละสิงข้อนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปปรงอาบัตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปทําคืนก็ก็เนี่ยแล้วแต่กรณีโอ้เรื่องนี้ไม่จบสิ้นนะคุณเคยเถียงกันมาตั้งไหนไหนแต่ไรแล้วว่าใครผิดหรือใครไม่ผิดบาปหรือว่าไม่บาปใช่ไห ม, ไมเขาเคยพูดกันมาเรื่องอ้งางูกับกบเงาเขาเคยพูดมาเรื่องงูจะกินกบเนี่ย เอ๊ะเราควรจะช่วยกบไว้ดีไหมอ่าถ้าเราช่วยกบนี่เอ๊ะเราจะบาปหรือเปล่าว่าทําให้งูมันอดกินกบอ้าวใช่ไหมเอ๊ะจะบาปหรือเปล่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ช่วยเรางูมันก็กินกบอ่ะอ้าวใช่ไหมเอ๊ะเราเห็นอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ช่วยกบอ่ะเอ๊ะเราบาปหรือเปล่าโอ้โหอรรมาว่าแม่พูดกันไม่จบง่ายๆเลยเรื่องนี้อ <c oughs> ถ้าฤาษีเป็นคนธรรมดา เป็นคนธรรมดามันก็ไม่มีวินัยเข้ามาวินัยแบบแบบของพระเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่เรื่องบาปหรือไม่บาปนี่มันเหมือนกันแหละวินัยนี่เป็นเรื่องของการลงโทษเท่านั้นเองแต่ศีลนี่มันเหมือนกันถึงจะเป็นชาวบ้านชาวช่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเอาอย่างเช่นนะศีลของพระเนี่ยก็มีเยอะกว่าใช่ไหมศีลของฆราวาสจะมีศีลห้าหรือว่าศีลแปดนะสมมตินะ เอาอย่างเด็ดต้นไปตัดต้นไม้อะไรเงี้ยศีลของชาวบ้านไม่มีชาวบ้านสามารถไปเด็ดกิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้อะไรเนี่ยจะ อ, อะไรอ่ะฟันต้นไม้เล่นหากกิ่งไม้เล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ถือว่าผิดศีล น, นะเพราะว่าศีลของคารวะไม่มีแต่ความจริงน่ยมันมันควรจะทําหรือเปล่าล่ะถ้าโดยความเหมาะสมก็ไม่ควรกรทําแม้ว่าจะเป็นคารวะก็เถอะ ถ้าถ้าจะไปทําเล่นๆไม่ทําอะไรต่ออะไรก็มไม่ควรอยู่แล้วแต่นี้ระดับของพระเนี่ยผู้เจ้าท่านเอาละเอียดขึ้นเนี่ยมันปนนิดขึ้นมันปนนิดขึ้นมาเป็นอธิยิ่งขึ้นอธิศีนยิ่งขึ้นพอตอนนั้นท่านกาหนดเบ้งไปเลยว่าถ้าเป็นพระแล้วนี่ไปทําอย่างนั้นแล้วก็ผิดนะต้องอาบัตนะแต่ฆราวาสไม่ต้องไม่ต้องไปปรงอาบัตแต่เป็นพระไปทําเมื่อไหร่ต้องไปปรงอาบัตเมื่อนั้น แต่ถ้าจะถือว่าสมควรไหมมันก็ไม่สมควรอะ่ะก็ ว, ว่าไปทําก็ไม่สมควรพลาดไปทำก็ยังไม่สมควรเลยคือมันมีอะไรอ่ะ ม, มีกรณีมาที่แบบพระพุทธเจ้ า, ท, าท่านห้ามห้ามห้ามไเนี่ยมันมีเหตุเลยทําให้ต้องห้ามถ้าอมีเหตุผลว่าถ้าสมมุติว่าปล่อยเจ้านกต่อนี้ไปใช่ไหมอ่าก็ปรากฏว่า ในพานนี้ก็ ม, มีนกต่ออีกต่อไปเมื่อมีนกต่อเนี่ยนอกอื่นๆก็ได้ไม่โดนจับมาใช่ไหมเหตุผลนี้มันมันแก้ได้ระดับหนึ่งนายพานอาจจะยิ่งโกรธใหญ่ก็ได้ถ้าเราคิดต่อไปนะอ้าวนายพานอาจจะยิ่งโกรธใหญ่เลยคนนี้เลยเพ้อเพ้อลืีอาจจะเจ็บตั ว, วคนนี้น <c oughs> ะอาจจะเอาเป็นลือีต่อจะไม่ใช่นกต่อ เอางี้เราก็ทั้งลือสีอ่ะแล้วก็ไอ้นกอื่นๆได้มาเดี๋ยวเขาก็มาฝึกให้มันเป็นนกต่อต่อไปอีกเข้าใจไหมคือการแก้บางอย่างเนี่ยแก้แล้วมันไม่จบแก้แล้วมันวนเหมือนกับบางทีพวกเราเนี่ยเราบอกว่าอย่าไปซื้อนกซื้อปลาอะไรที่เขาจับมามาปล่อยเลยใช่ไหมมามาปล่อยแบบว่าซื้อจากที่พวกเขาจับมาเนี่ยแล้วเอามาปล่อยเนี่ยยาไปซื้อเลยแต่ถ้าจะบอกว่า ได้บุญไหมล่ะถ้าถ้าสมมติว่าซื้อมาแล้วก็มาปล่อยจริงๆนะคือเรามีใจบุญจริงๆจริงๆมันก็มีผลใช่ไหมมันก็มีผลตรงนั้นจริงๆด้วยว่าเราไปซื้อเต่าซื้อนกซื้อปามาปล่อยอ้ากก็จริงก็ปล่อยจริงๆแล้วมันก็เป็นอิสระจริงๆด้วยใช่ไหมแต่ผลที่ตามมาคืออะไรอ่ะผลที่ตามมาจะพวกนายพานนกนายพานปลานายพานเต่าพวกนี้ก็ ยิ่งไปจับพวกเป่าพวกปลามายิ่งมาขายเยอะขึ้นยิ่งมีคนซื้อปล่อยเยอะเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกิจการเขาก็ยิ่งใหญ่โตมากขึ้นขนั้นวันบุญที่เราซื้อตัว2ตัวนี้มาปล่อยเนี่ยได้จริงได้นิดนึงแต่ไอในพานี้ยิ่งไปเอามาจับมาอีกเยอะกว่าตัว2ตัวน่ะเขานี้มันยิ่งจับมามากขึ้นไปอีกวันส่วนที่เราจะทํานุนให้เขาทำบาปเนี่ยมันมากกว่าไอที่เราจะได้บุญนิดนึงเนี่ย วันถ้าคิดเห็นไหมคิดแล้วมันไม่คุ้มอ่ะแล้วทําไปทําไมทําไปแล้วขาดทุนอย่างเงี้ยนกอีกต้องเยอะจะต้องโดนจับมาปลาอีกต้งเยอะจะต้องโดนจับมาหนักขึ้นกว่าเดิมมันคิดแล้วมันไม่คุ้มเลยอย่างเงี้ยเพราะถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้เลยว่าโอ้โหไม่ควรไปซ้ำหนุน <c oughs> ไม่ควรไปซื้อตอนนี้ดูนะเรายอมไม่ไปซื้ออย่างเงี้ยไอ้คนที่มันจับนกจับเต่าจั บ, จบปลามามันขายไม่ได้ใช่ไหมแต่ไอ้เต่านกพวกนี้เผลอ อาจจะโดนแกงกินเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันขายไม่ได้มันก็ไม่มีเงินใช่ไหมมันก็อาจจะแกงกินอ้าวถูกก็เปล่าล ม, ม, มันไม่มันไม่มีมีเงินซื้ออย่างอื่นมันก็เอามาต้มมาแกงกินจริงแต่เราไม่บาปนะเพราะว่าเราไม่จะเป็นผู้ไปกระทําเข้าใจไหมแต่มันก็โอโ้โหน่าสงสารเหมือนกันสายพวกนี้ก็ต้องโดนโดนกินไปใช่ไหมแต่เจ้าในพานนี่ปรากฏว่า ถ้ามันจับมาอีกเนี่ยมันไม่มีใครซื้อมันขายไม่ได้เงี้ยพวกสัตว์ที่เขาจับมาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องโดนโดนฆ่าตายไปแต่เขาจะไม่จับมาเป็นอาชีพนี้อีกแล้วเพราะอาชีพนี้มันทำไม่ได้มันไม่มีคนสนับสนุนเพราะหนที่สุดมนจะต้องเลิกใช่ไหมเพราะตอนนี้นกอื่นๆต่อไปก็จะไม่สวยเห็นหมเพราะถ้าเราคิดเรื่องของอะไรอ่ะความมากความน้อยนะ ต่อกันและกันแล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้มันคุ้มกว่าเห็นไหมแต่มันต้องมันต้องคิดเป็นเนาะคิดเป็นแล้วมันถึงถึงจะรู้ว่าเออมันคุ้มกว่านะที่จะที่จะไม่ซื้อแม้บางทีดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมันน่าสงสารนะเจ้าพวกที่จะต้องโดนค่ากินไปมันน่าสงสารจริงๆรอ้าวแต่ว่าเราต้องยอมจำนนเนาะยกเว้นว่าอะไรอะเรามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ นายกเว้นว่าเรามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แต่ถ้าเรายังคิดไม่ออกเนี่ยก็มีแต่ว่าเราไม่สนับสนุนเขาเท่านั้นเองให้ให้กิจการเขาเจ๊งไปไม่อย่างนั้นคุคิดดูแต่ก่อนนี้มันมีที่ไหนล่ะไอ้พวกฟาร์มจาระเข้ไอ้พวกอะไรอะต่างๆกันนาที่โอ้โหจับสัตว์ต่างๆเนี่ยมามาเลี้ยงตอนนี้เขาไม่ได้เลี้ยงธรรมดาเขาเลี้ยง้วยขายด้วยอะไอ้ฆ่าด้วยนะเอาหนังจาระเข้มาทํากระเป๋า ทำไอเอาตีนอะไรอะตีนจระเข้มาทําพวกงกุญแจหรืออะไรต่ออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดนะแม้กระทั่งไอจระเข้ลูกจระเข้ตัวเล็กเคยไปดูป้าเนี่ยฟา ร, ร์มจรเะเข้เออเขามีขายสินค้าจากจรเะเข้กระเป๋าจระเข้มีหมดทุกอย่าง <c oughs> เห็นไหมเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยเราก็สนับสนุนเหมือนกันนะเข้เขาใจไหะ ม, มันไม่เหมือนกับสวนสัตว์ สวนสัตว์นี่เขาไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปทําลายอะไรใช่ไหมแต่ก็ยังทําให้สัตว์ไม่อิสระอยู่ดีดดนะแต่มันมันเบาวกว่าไอ้พวกแบบแบบไอความจอร์เก้หรือว่าฟาร์มอะไรพวกนี้เพราะถ้าเราเนี่ยเข้าใจได้ก็ไม่ควรหรอกไม่ควรไปซาบดุนเลยเพราะว่าเรายิ่งไปซาบดุนเขาก็ยิ่งแหม่ต้องไปหาพันจากแม่น้ําอเมซอนมาหาจัดอะไรอ่ะ ไปเที่ยวล่ามาอยู่ไกลแสนไกลใค่ไหนยิ่งแปลกประหลาดยิ่งอะไรล่ามาได้ก็ไปล่ามาโอ้มันก็เดือดร้อนไปไกลเลยถ้าเรายิ่งคิดเราจะยิ่งรู้นะว่าโอ้โหไปสนับ ส, สนุนพวกนี้นี่สัตว์ที่ไม่ใช่อยู่แค่ในเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาเมืองไหนก็ยิ่งโดนเบียดเบียนหนักยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเห็นไหมว่าบางทีถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมพอคิดขึ้นมาแล้วโอ้โหไอ้นี่ น, นี่นี่เราทําบาปเหมือนกันนะแต่ เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ละบาปไปแล้วแล้วเราก็ต้องใช้ดีบาปด้วยเผลอๆ อ, อีกหน่อยเราจะต้องเป็นตัวที่โดนจับซะเองแหะก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะต้องไปใช้บาปกรรมถึงขนาด น, นั้นไหมอ้าวสามทุ่มแล้วนะก็พอแค่นี้